ตอนที่หนึ่งร้อยคลอดแล้วเหรอจะไปโรงพยาบาลทําไมคะหลี่ชิงผิงถามอย่างสงสยัยไปคลอดลูกไงเจิ้งหยุนชงพูดด้วยน้ําเสียงจริงจังคลอดลูกก็ต้องไปโรงพยาบาลสิพี่กังวลว่าถ้าถึงเวลาที่คุณจะคลอดแล้วเราไปโรงพยาบาลไม่ทันจะทํำยังไงสู้ไปอยู่โรงพยาบาลล่วงหน้าดีกว่าตอนที่พี่สะพ้ายคลอเศร้าซิงเธอก็ไปโรงพยาบาลล่วงหน้าเหมือนกันแบบนี้ยังช่วยให้จองเตียงพักฟื้นได้ก่อนด้วยไปนอนโรงพยาบาลล่วงหน้าไม่เปลืองเงินเหรอคะ ลี่ชิงพิงไม่ค่อยเข้าใจความคิดของเจิ้งหยุนชงนักการคลอดลูกไม่ใช่ว่าจะกำหนดเวลาได้ตามใจชอบเด็กจะอยากออกมาเมื่อไหร่ก็ได้ช่วงสองสัปดาห์ก่อนหรือหลังกำหนดคลอดล้วนเป็นไปได้ทั้งนั้นจะให้ไปนอนรอที่โรงพยาบาลเป็นเดือนเลยหรือมันนานเกินไปแล้วค่าเตียงไม่กี่เงินหรอกเจิ้งหยุนชงไม่คิดว่าสิ่งที่ลี่ชิงพิงกังวลเป็นอันดับแรกคือเรื่องเงินเขาจ้องมองเธอด้วยสายตาจนใจตอนนี้ไม่ใช่เวลามาห่วงเรื่องเงินความปลอดภัยของชีวิตสำคัญที่สุด ก็แค่คลอดลูกเองเขาไม่ต้องตื่นตูมขนาดนั้นหรอกคุณหมอก็บอกแล้วไม่ใช่เหรอว่าหัวเด็กกลับลงมาแล้วตอนนี้เธอแค่รอคลอดเท่านั้นอีกอย่างการไปโรงพยาบาลจากที่นี่ก็สะดวกมากลีชิงพิงรูปหลังมือของเจิ้งหยุนชงแล้วบีบเบาๆเป็นการปลอบโยนขอแค่ถ้าเด็กปกติคลอดที่บ้านก็ไม่มีปัญหาหรอกขั้ตอนคลอดเสียวหวานฉันก็คลอดที่บ้านท้องแรกอาจจะลำบากหน่อยแต่พอท้องสองก็ไม่มีอะไรแล้วโจวเจี้ยนเ ย, ย่ไม่ยอมพาคุณไปโรงพยาบาลเลยเหรอเจิ้งหยุนชงแทบไม่อยากจะเชื่อโจวเจี้ยนเย่ยช่างใจดําจริงๆ ตอนฉันคลอดลูกเขาไม่รู้เรื่องด้วยซ้ําฉันคิดว่าแม่เขาคงไม่ได้บอกเขามากกว่านิวซูเฟินเกลียดเธอเข้าซี่ตอนท้องก็รู้ว่ามีโอกาสเป็นลูกสาวสูงเลยไม่ยอมเสียงเงินพาไปโรงพยาบาลแม้แต่จะจ้างหมอตํายามาที่บ้านก็ยังไม่ยอมเลยลิชิงพิงรู้สึกเสมอว่าการที่เธอยังมีชีวิตอยู่ได้จนถึงตอนนี้ถือว่าดวงแข็งมากเกินไปจริงๆเจิ้งหยุนชงไม่รู้จะพูดอะไรดีคนตระกูลโจไม่เห็นค่าของชีวิตคนเลยต่อให้จะไม่ชอบลิชิงพิงแต่อย่างน้อยก็ควรจะเห็นแก่ชีวิตคนบ้างสิ โจจีย้นย้เองก็มีน้องสาวนะถ้าเกิดน้องสาวแท้ๆของเขาต้องไปเจอเรื่องอยุทิ่ธรรมแบบนี้ที่บ้านสามีเขาที่เป็นพี่ชายคนโตจะยังทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นได้ลงเหรอพวกเขาก็แค่ไม่ชอบฉันนะคะลีชิงพิงน็กถึงช่วงสิกว่าปีที่ใช้ชีวิตอยู่ในบ้านสามีมันไม่ได้ดีไปกว่าตอนอยู่บ้านเดิมเท่าไหร่เลยพอมีลูกสาวชีวิตเธอก็ยิ่งลําบากขึ้นแต่ยังดีที่ตอนนี้พ้นทุกภพสุขแล้วถ้าฉันคลอดออกมาเป็นลูกสาวคุณแม่จ้ะ ลี่ชิงผิงยังคงรู้สึกกังวลลึกๆเธอไม่แน่ใจว่าสิ่งที่คุณแม่สามีพูดนั้นจริงหรือทท่านชอบหลานสาวจริงๆหรือแค่พูดให้เธอสบายใจกันแน่อย่าว่าแต่แม่พี่เลยทั้งครอบครัวเราชอบลูกสาวกันหมดแน่นอนว่าไม่ได้หมายความว่าลูกชายไม่ดีนะในืงเมื่อเด็กเลือกมาเกิดกับเราแล้วไม่ว่าหญิงหรือชายก็ถือว่ามีวาสนาต่อกันทั้งนั้นเจิ้งหยุนชงอธิบายเสียงเบาพยายามปลอบโยนลี่ชิงผิง ตอนที่ชายพี่มีชีวิตอยู่เขากับพี่สะพ้ยก็อยากได้ลูกสาวมากที่พี่สะพ้ยยอมมีท้องสองก็เพราะอยากได้ลูกสาวนี่แหละก่อนเศร้าซิงจะเกิดพวกเขาคิดมาตลอดว่าต้องเป็นลูกสาวแน่ๆถึงขั้นดีใจกันยกใหญ่เตรียมตั้งชื่อผู้หญิงไว้รอเพียบผลปรากฏว่าออกมาเป็นลูกชายพี่สะพ้ยพี่ร้องให้ไปตั้งหลายวันแนะจริงเหรอคะลีชิงถิงหลุดหัวเราออกมาทันทีความคิดของแต่ละคนช่างต่างกันจริ ง, รงๆเธอเติบโตมาในครอบครัวที่ให้ความสําคัญกับลูกชายมากกว่าลูกสาวจึงไม่รู้ว่าความรู้สึกของการถูกคนทั้งบ้านรุมรักนั้นเป็นอย่างไร จริงแน่นอนเอาทนอนพักผ่อนเถอะนะเจิ้งหยุนชงยกมือขึ้นตบหลังหลีชิงถิงเบาๆพลางลดเสียงลงพรุ่งนี้เราต้องไปตรวจคันที่โรงพยาบาลกันอีกรอบไปดูว่าคุณหมอจะว่ายังไงถ้าหมอแนะนําให้อดมิดเราก็ต้องนอนโรงพยาบาลในะอยู่บ้านเฉยๆมันน่ากลัวเกินไปลีชิงพิงยกยิ้มมุมปากอื้นตกลงข้าฟังพี่วันต่อมา ลี่ิงพิงเพิ่งตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเสร็จจู่ๆเธอก็รู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างท้องของเธอเจ็บแปบบเป็นพักๆตอนแรกเธอนึกว่าเป็นเรื่องปกติแต่ความเจ็บกลับรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนเธอต้องสูดหายใจเข้าลึกๆเป็นอะไรไปเป็นอะไรเพิ่งตรวจเสร็จก็รู้สึกไม่สบายเหรอเจิ้งหยุนชงลนลานทำอะไรไม่ถูกเจ็บท้องนิดหน่อยค่ะลี่ชิงพิงพูดจบก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างไหลออกมาพยาบาลที่อยู่ข้างๆมีปฏิกิริยาตอบโต้รวดเร็ว สงสัยจะใกล้คลอดแล้วรีบไปห้องรอคลอดเร็วเดี๋ยวฉันไปตามหมอมาให้เอ๊ะเจิ้งหยุนชงเตรียมตัวมาอย่างดีแต่พอเจอเหตุการณ์กะทันหันแบบนี้เขาก็ไปไม่เป็นเหมือนกันผมผมไม่เป็นไรค่ะอาจจะยังไม่คลอดวันนี้ก็ได้อาจจะแค่เริ่มเจ็บเตือนลิชิงพิงพยายามปลอบโยนเจิ้งหยุนชงในระหว่างที่ยังพอมีแรงผู้ชายคนนี้ตื่นเต้นเกินไปแล้วตื่นเต้นจนเหงื่อซึมเต็มหน้าผากถ้าคนไม่รู้คงนึกว่าเขาเป็นคนคลอดเองเสียอีกผมวันนี้คุณแม่ก็ไม่ได้มาด้วย ผมนึกว่าคุณจะยังไม่คลอดวันนี้ช่วงใกล้คลอดแบบนี้พวกเขามาตรวจคันที่โรงพยาบาลบ่อยๆเจิ้งหยุนชงเลยไม่ได้ให้คุณแม่ตามมาด้วยแล้วมันก็ดันมาเกิดเรื่องในครั้งนี้พอดีไม่เป็นไรคะลีชิงถิ่งเริ่มพูดไม่ออกความเจ็บท้องเริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆเธอรู้สึกว่าวันนี้เจ้าตัวเล็กคงอยากจะออกมาจริงๆแล้วนับตั้งแต่ถูกส่งตัวเข้าห้องรอคลอดจนถึงตอนนี้ยังไม่ถึงครึ่งชั่วโมงลีชิงถิงก็คลอดแล้ว เจิ้งหยุนชงยังไม่ทันได้เริ่มกังวลในอ้อมแขนของเขาก็มีลูกชายคนโตที่เพิ่งลืมตาดูโลกมานอนอยู่แล้วเจิ้งหยุนชงพ่อลูกเจอกันครั้งแรกดูเหมือนจะตื่นเต้นกันทั้งคู่เขาเคยคิดมาตลอดว่าลูกชายต้องเป็นเด็กที่อดทนแข็งแรงเวลาต้องสั่งสอนก็ต้องสอนให้เด็กขาดแต่ไม่คิดเลยว่าเด็กจะตัวเล็กขนาดนี้นอนนิ่งๆอยู่ในอ้อมแขนของเขาผ้าห่มผืนเล็กที่เตรียมไวใ้ให้ก็ไม่ได้หยิบมาด้วยจึงต้องใช้ผ้าปูที่นอนของโรงพยาบาลห่อตัวไว้ชั่วคราว เจิ้งหยุนชงลมหายใจสะดุดไปชั่วขณะผ่านไปพักใหญ่เขาถึงเพิ่งึกขึ้นได้และถามคำถามที่ดูจะบื้อไปสัตว์หน่อยไม่ใช่ลูกสาวหรอครับลูกชายคะ่ะพยาบาลเองก็ชะงักไปพวกคุณตรวจมาก่อนแล้วหรือเขาว่าได้ลูกสาวแต่วันนี้คนที่คลอดลูกมีแค่ภรรยาคุณคนเดียวไม่มีทางอุ้มผิดตัวแน่นอนแถมคุณดูสีผมของเด็กคนนี้อีกนิดนิดเหมือนภรรยาคุณเปี๊ยบเลย เจ้างุนชงไม่ได้ยินว่าพยาบาลพูดอะไรต่อเขาจ้องมองลูกชายในอ้อมแขนอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะถามขึ้นอีกว่าแล้วภรรยาผมเป็นยังไงบ้างครับภรรยาคุณคลอธรรมชาติได้เร็ว ม, มากสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีตอนนี้ต้องรอดูอาการข้างในสักพักถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็จะย้ายไปห้องพักผู้ป่วยแต่ตอนนี้โรงพยาบาลไม่มีเตียงว่างเลยคงต้องรบกวนพวกคุณรออยู่ที่ทางเดินไปก่อนนะคะพยาบาลกล่าวต่อรอให้ทางเราจัดหาเตียงได้เมื่อไหร่ก็เข้าไปได้ทันทีคะ่ะอ้อครับขอบคุณครับ ไม่เป็นไรข้ามันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วอ้อภรรยากับลูกของคุณปลอดภัยดีแล้วคุณรีบติดต่อทางบ้านก่อนดีไหมคะเด็กจะห่อผ้าแบบนี้ไปตลอดไม่ได้แล้วภรรยาคุณออกมาก็ต้องมีหมวกมีผ้าพันคอด้วยเมื่อกี้ผมฝากคนไปส่งข่าวที่บ้านแล้วครับอีกประเดี๋ยวคงมาถึงถ้าอย่างนั้นก็ดีคะ่ะคุณรอภรรยาออกมาตรงนี้ก่อนนะคะเดียวฉันจะอุ้มเด็กไปตรวจที่แผานากทารกแรกเกิดก่อนถ้าไม่มีปัญหาอะไรจะรีบพามาส่งให้คะครับได้ครับ